วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าวันนี้มีพระทั้งหมดมาฉันจังหันสามบสามองค์พระทั้งหมดสี่สิบสามขาดไปสิบองค์รู้สึกว่าบางตาไปเหมือนกันนะดูดูแล้วพระสี่ห้าสิบองค์เนี่ยพอขึ้นมานั่งเรารู้สึกว่าแน่นเพราะชงควรเพราะเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดวันนี้เป็นวันพระเป็นวัน รักษาศีลของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่ตั้งใจสมาทานศีลจะรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีลห้าตลอดไตรามาสสามเดือนในพรรษาหรือบางท่านก็ได้เข้ามาเป็นบางครั้งบางคราวแต่ผู้ที่ตั้งใจจริง ที่เห็นเห็นถึงจะไม่พูดออกมาทางวาจาไม่ได้พูดออกมาทางคำพูดแต่ดูดูแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนั้นพน้นในพรรษาก็รู้สึกว่าการสมาทานศีลของศรัทธาญาติโยมสม่ำเสมอเห็นทุกหน้าทุกตาถ้าไม่มีอุปสรรคแต่พอออกพรรษาไปแล้วก็อันตรธานหายไป เป็นบางคนหรือว่าเกือบจะทั้งหมดอันนั้นก็อย่างว่าคือหน้าที่การงานแต่ก็ยังดีในพรรษาในควรจะเอาจริงเอาจังสมเดือนเพราะมันมีกฎเกณฑ์อยู่ถ้าออกพรรษาไปแล้วก็ถ้าเป็นผู้มุ่งมั่นจริงๆเป็นผู้ธุระการงานว่างพอสมควรอย่างคน ผู้สูงอายุเนี่ยเขาควรจะทําให้ต่อเนื่องต่อไปเพราะหน้าที่ของผู้สูงอายุก็าไม่มีอะไรแล้วการงานก็ทํามามากแล้วควรจะปล่อยวางให้ลูกให้หลานเขาทาสืบต่อไปบุญวาดสนามบา ร, รมีของเราพบนี้ฉาตินี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก็คงจะไม่ล่ําไม่รวยไม่มั่งไม่มีไปกว่านี้ เพราะนั้นพวกเราควรจะแสวงหาทรัพย์ภายในคือศีลและธรรมภายในใจของพวกเราคือบุญกุศลภายในใจของเราะจะดีกว่าเพราะทางโลกก็เออเอาให้ลูกให้หลานเขาทาไปสิ่งไหนที่มันขาดตกปกพ่องเราก็ว่ากาวตักเตือนไปได้บางเสียบงังถ้าเขาไม่พาให้เราอดเราอยากก็พอแล้วล่ะ แต่ส่วนศีลธรรมนี่นควรจะเข้มงวดกวดขันแต่ว่าสิ่งไหนที่เราจะทาได้เราก็ไม่ปล่อยมือแล้วก็ทาจักสารอะไรก็ตามที่ไม่ผิดศีลธรรมแต่ให้เราไปหาอยู่หากินค่าสัตว์ตัดชีวิตเราควรจะเพลาๆมือลงได้แล้วไม่ควรจะเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปอันนี้หลวงพ่อก็ขอเตือนให้พวกญาติโยมทุกๆกท่านช่วยคิดอย่างนั้นเป็นแนวความคิด อันหนึ่งเป็นการเตือนซึ่งกันและกันพระพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมเนนถ้าหากว่าพวกเราไม่เตือนกันไม่รู้ใครจะมาเตือนคนอื่นนอกศาสนามีแต่อยากจะเห็นพวกเราพรมจมจีบหายนั่นแหะแต่คนในพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าว่ากล่าวตักเตือนชิงกันและกัน สิ่งไหนที่จะเป็นหนทางที่ดีสิ่งไหนที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรุ่งเรืองในการเป็นอยู่ล่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจก็ควรจะว่าก่าวตักเตือนซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นวันที่หลวงพ่อได้แนะนําว่าก่าวตักเตือนพวกเราไม่ให้หลงทางเหมือั้นเถอะแต่เมื่อเรา สมัยน้อยหนุ่มเราก็ส ะ, สะแสวงหาทรัพย์จนไม่รู้จักกลางวันกลางคืนอทําเอาอย่างสุดๆไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยพอมาถึงช่วงมีครอบครัวแล้วก็เอาทํายิ่งกว่านั้นไปอีกอกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปียอกลางคืนมีแต่คุณคิดคุณคิดในด้านจิตใจว่าพรุ่งนี้เราจะทําอะไร กลางคืนเป็นควันมันไม่ออกว่างั้นเอะมันเป็นควันทุยๆอยู่ในใจว่างั้นอะแต่พอกลางวันเท่านั้นแหละทำสู้อย่างสุดๆพอได้คิดไว้แล้วว่าจะทาอะไรวันพุ่งนี้อันนี้เราก็เคยสู้เคยทํามาจนพอแรงไม่รู้กี่ปีกี่เดือนจนถึงปานนี้ลหละที่ยังน้อยยังหนุมอยู่สร้างฐานะก็เอาทาไปอย่างที่ว่านี่ยะ แต่ผู้เฒ่าผู้แก่อายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละควรจะกลางคืนกับคงเป็นควันกับควันค้น ค, ค, ค, คิดว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนนานต้องคิดอย่างนั้นทีนีน้อายุเราก็แก่แล้วอเมื่อเราตายไปเราจะไปที่ไหนนานบุญกุศลที่เราสร้างมาเป็นที่พอใจและยังนานะ บุญกุศลที่เราทำมาแนละ้วเพียงพอหรือยังเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องอุ่นใจเป็นจะเบี่ยงเดินทางของเราพอจะไม่ตกทุกข์ได้ยากหรือยังนาน่อันนี้ควรจะใร่ควรจุดนี้เข้ามาอีกนะจากนั้นพวกเราก็จะได้ไม่ประมาทจนเกินไปควรจะเร่งทางจิตภาวนาทางไหว้พระสวดมนต์รักษาศีล อันนี้เป็นหนทางทางด้านจิตใจปรับทิศทางหัวใจให้เดินถูกทางเพราะนั้นให้เดินไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะจิตใจของเราเนี่ยใจของเราเนั่นะที่จะไปทางชั่วหรือจะไปทางตกต่าหรือจะไปทางสูงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าส่วนร่างกายนี้ทุกคนก็ต้องแตกต้องสลายต้องดับไม่มีใครจต่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายจะไม่มีใครอยู่ถึงเป็นร้อยปีพันปี ต้องตายโดยการทุกคนแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ตายไม่ตายแล้วยังไม่แล้วยังก่อภพก่อชาติไปอีกอันไหนที่จะทำให้ก่อภพก่อชาติอันนี้ก็ต้องมันมีเชื้อเชื้อนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วท่านรู้แจ้งแล้วท่านจึงเขียนแผนที่ให้เราว่าใจดวงนี้ ที่มันเวียนว่ายตายเกิดที่มันก่อพพก่อชาติน่ะเพราะกิเลสท่นะพระพุทธเจ้ากิเลสมีอะไรบ้างราคะโทสะโมหะอันนี้คือกองใหญ่ภายในใจที่จะทำให้สัตว์ตวโลกเราพวกเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะทำยังไงจึงจะชำระกิเลสเหล่านี้ออกได้อันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีอีก มีศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะกําจัดเชื้อเหล่านี้ออกจา ก, ก จ, จิตใจเหมือนกับเรามีเมล็ดข้าวเราจะทํายังไงจึงจะไม่ให้มันเกิดอีกอือันนี้เราก็ต้องมีวิธีค่อยๆเอามาหนึ่งเอามาต้มมาหงุงมันก็ไม่เกิดอีกอันนี้ก็เหมือนกันท่านวัดตปปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามา การกลองมาห่วงต้มจิตใจมากันกลองใจของตัวเองไตรตรองดูด้วยเหตุและผลจากนั้นจิตใจก็ปล่อยวางละวางปล่อยวางคือความฉลาดปล่อยวางความโง่ว่างนั้นเถอะความฉลาดนะวางความโง่เหมือนกับเรารู้แล้วเราปล่อยความที่ไม่รู้อย่างนั้นอนะ่ะแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือกอไก่ข้อไขขอขวดพอเราเรียนรู้แล้ว รู้กอไก่ข้อไขแล้วเอีความไม่ลู้มันก็หายไปเองเพอเรารู้แล้วเรารู้กอไก่ข้อไขแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นนะกิเลสภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าพอเราปล่อยวางแล้วอกิเลสเหล่านั้นก็ไม่เข้ามาสู่จิตใจของท่านอีกเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่น โดยประการทั้งปวงอันนี้ว่านิพพานังประมังสุ ข, ขังพอไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็อะไรจะมาเข้ามาสู่ได้อันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้ฟังอย่างรวบรัดแบบพูดกระโดดเลยว่างั้นแต่มาถึงขั้นปล่อยวางเลยแต่ก่อนที่จะถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันต้องทบทุบตีต่อยกันจนพอแรงแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาอีก ه, กานกรองแล้วกันกรองอีกด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยทานศีลภาวนานะเพราะนั้นพวกเราเนี่ก็บำเพญอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบอกทรงกล่าวให้พวกเราเดินตามแนวแถวให้ทานเนอะรักษาศีลเนอภาวนาให้ทานก็ที่พวกเราทำบุญทำทานก็เป็นจิตใจที่เอือเฟือเอืออารีนะถ้าหากว่าเกิดมามีพพมีชาติก็จะเป็นผู้ไม่ อดไม่อยากเพราะอา น, นิสงทานอา น, นิสงสินชีวิตของเราก็จะไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอา น, นิสงสินดีอา น, นิสง์ภาวนาดีก็ทำให้จิตใจของเราปลอดโปรง่งมีสติปัญญาไม่มีความโง่คิดอะไรก็ปลอดโปรง่งอ่านหนังสือเรียนหนังสือก็คล่องแคล่วเพราะอ น, นิสง์การภาวนา เพรได้ฝึ ก, กจิตใจไว้แล้วนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้สงทานศินภาวนาที่พวกเราได้บำเพ็ญเหล่านี้เอาไวเ้เป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติอือย่างพระอรหันต์สาวกในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันหเห็นได้ชัดๆก็อย่างที่ท่านยกพระอรหันต์ท่านหนึ่งจูระบันท ก, กะเอาลวงผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้า พอเช็ดหน้าเสร็จแล้วท่านมองเห็นผ้าเช็ดหน้าของท่านดําปี๋เลยโอ้โหร่างกายในสกรปรกขนาดนี้เชียวเหรอแต่ก่อนที่เราจะนั่งคอช้างสเสด็จรอบพระนครเนี่เราแต่งองค์ทรงตัวทาแป้งเหมือนกับเทวดาในพื้นแผ่นดินแต่บัดนี้เงือออกมาแล้วเนี่ยเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าดูแล้วมันดําสกรปรกขนาดนี้เหรอร่างกายนสกรปรกขนาดนี้เหรอ พอเห็นเท่านั้นนหละไม่ใช่เห็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นนะมันเข็นรึข้าไปส่วนหัวใจแล้วเงินคั่วหัวใจแล้วเงินความคิดสุดๆของหัวใจเลยขณะนั้นนะสรุปแล้วก็คือจิตที่เป็นสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งนั่นเองรวมลงอย่างวาบเลยด้วยปัญญาเห็นอนิจจ์ด้วยปัญญ า, เ ห, นน า, ญญาเห็นด้วยอสุภะด้วยปัญญาในขณะนั้นนี่แหละแต่ขนาดท่านมัปนปัจจุบัท่านก็ ช่วงนั้นก็หายไปแล้วนี่เกิดพบในชาติใดก็หายไปแต่พอมาถึงวันที่จะตัดสรุธรรมหรือเห็นธรรมบรรลุธรรมวันที่ท่านจะบรรลุธรรมท่านก็เอามือลูปผ้าเช็ดหน้าหัดโชฮัลนังหัดชังหรติผ้าเช็ดหน้าพื้นนี้สะอาดตีนอนทีนี้นจิตก่นบึงของท่านที่ท่านเคยบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติแต่เก่าแก่ในครั้งนั้นมันวิ่งปุ๊ขึ้นมาอีกเห็นผ้าเช็ดหน้าเนี่ย เป็นของโสกโปกมันดำขึ้นมาปีขึ้นมาท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นจิตขององค์ท่านก็ปล่อยวางนี่แหละการสร้างบุญบา ร, รมีเนี่ยมันติดภพติดชาติเลยอ่มันติดภพติดชาติอ่ที่เราบําเพ็ญมาพบนี้ชาตินี้เมื่อเราบําเพ็ญเห็นสิ่งไหนก็ตามอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในใจของเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทางว่าเราต่อไปภายภาคหน้า เมื่อเราบําเพ็ญที่จะพ้นทุกขนะ์น่ะบุญบา ร, รมีที่เราบําเพ็ญที่เห็นแล้วเนี่ยจะวิ่งปุ๊บเข้าไปเลยอ่ไปช่วยประสานในจุดนั้นจิตใจของเราจะเด็พ้นจากวัฏสงสารเพราะการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสืบเนื่องนะเป็นการสั่งสมบา ร, รมีเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นยาประมาทถึงจะเล็กจะน้อยก็คือเก็บเล็กผสมน้อยเข้าสู่จิตใจของพวกเราต่อไปก็เป็นเศรษฐีได้ ทางว่าเราประมาทแล้วไม่ได้สั่งสมเอาไว้นะเราจะเป็นผู้มีเงินมากได้ยังไงเงินแสนถ้าขาดจะตางหนึ่งมันก็ไม่ถึงแสนนะอันนี้ก็เหมือนกันผู้สั่งสมบา ร, รมีถ้าขาดนิดหน่อยก็บา ร, รมีไม่เต็มนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะั่นแหละเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทสร้างบุญกุศลไปเก็บเล็กผสมน้อยไปเก็บเป็นวันๆไปเก็บคะแนนเป็นวันๆไป จนถึงชีวิตจะหาไม่ก็เอาจบกันนะ